งานทีเดียว บ, บนันเกียรีรู้ถึงคนมาซึ่งเป็นไงยถูกเกียง์ุ่ซ้อ น, นโอนยกมาถึงก็เสียทีแกเกียงว์วีและเป็นไงจะเป็นตายประการใดก็มิแจงมีรายงานนี้มาถึงองขวนล่ะแต่พอรายงานจะมาใช้รายงานจบคำตอนนั้นแหละเกียร์วีก็ยกฐานเข้าร้อมเข้ามา อ, องขุนก็โตใจก็จึงสั่งทำลายสะเบียงเลยเอาเปลือกเผาเปลือสะเบียงเชะพาฐานามความห น, น, นีไปทางเมืองาันึงเกี่ยวหมินก็ชวงฐานสะตัดทา ง, ท, างที่จะไปแค่เป็นไงไวัดแล้วก็รีุดยกติตามไปเมืหันถฝ่าย อ, องขุนก็หนีรับไปตามทางน้อยไปถึงม่น้าแห่งเปลียนชูนตามมาทานเขา ก็ขับอาหารเข้าร้อนได้โดยรอบ อ, องขวนนั้นเห็นเหลือกำลังจะสู้รบก็จิ้มบวกน้ําทําลายชีวิตคนเองเสียไม่ยอมให้เกียรติจับได้นี่อย่างนี้ท่านวาไนะครับท่านว่าตายสมศักดิ์ชายชาทหารไม่ยอมให้ถูกจับเกียรติขุนพลก็ไล่ข้าฟันทหาร อ, องขวนตายในที่นั้นสิ้น แล้วก็ยกเข้าไปตั้งอยู่ในเมืองฮันตตกฝ่ายเซิงไงอะเอ่อหนีรอดมาได้ก็ต้องพูดแ่าแพ้ไปอะแพ้ายเลยก็พาทานนั้งหนีกลับมาถึงท่ายเขากีสาร แล้วก็ทํารายงานไขฐานถือหนี้แจ้งขึ้นไปยังมูลนิเพื่อแจ้งเนื้อความให้แก่สุมาเดียวหมหาอุป ร, ราชต้งเรียกว่าหมหาอุป ร, ราชผู้ครองแผ่นดินเถอะเพราะตอนนี้เจ้าบันรังกระสับก็ได้อยู่แต่สุมาเดียวยังไม่เอาไปอย่างนั้นแหละจะไว้ให้ลูกเอาเปไงก็รายงานขที่มาสุมาเดียวทราบผู้ประกาศสุมาเดียวแจ้งเงื่อนไขต่อไป เป็นไายมีความชอบอยู่เป็นอันมากเด็กเคยทำความชอบมีอยู่เป็นอันมากควรที่เราจะยกโทษนี้ให้ชุกเลี้ยงต่อไปจึงจะชอบคือเป็นงายก็รายงานถึงความผ่าท่านผ่าแพ้เสียทีของตนมานี่แลถูกตามธรรมดาแล้วมายท้าถู้ผ่าแผ้เสียทัาเบียดจะต้องถูกปทุนลงโทษลงทางกันไปละ แต่สุมากเกียวเขบอกว่าเป็นไงเคยมีความชอบอยู่เป็นอันมากซึ่งเป็นความจริงอยู่ยกโทษนี่ยแล้วก็จัดแจงสิ่งของเงินทองเป็นอันมากปลักไปปูไปแต่เป็นายกับทหานอีกห้ามืนจัดแจงทหารอีกห้าหมื น, หมนให้ยกไปช่วยขณะนั้นเป็นตอนที่พระเจ้าราศีนเนี่ยสเสวยราจะสมบัติในเสฉวนได้สิก้ปี เราก็ได้ครองราชยาวนานอยู่ดีเดียวล่ะแต่จศวรรษไปแล้วงานวีโก้โลเคียนคือโจฉวนเนี่ยเปลี่ยนกันหลายโจเลยเกินเปลี่ยนหลายโจเลอเกินล่ะแต่ทางเสฉวนยังไม่ได้เปลี่ยนสักคนเดียวคือเหล่าเศียนเหล่าปีเหล่าปีสิ่งก็เหมอบเหล่าเศียนเหล่าเศียนกับโซเบราต่อมาด้วยแหละมาจนบาเนี่ยเออเีกันอย่าง เตรียมปีแมททับตั้งอยู่ณมืองหันโงนัก็เกรมทหารเร่งจะไปทำทางเจียงโต้งทางกลางวันกลางคืนก็เกรมทหารเรียรครถเตรียมากราบไว้พร้อมคือจะยกทัพไปอีกแล้วแล้วก็พดเตรพร้อมแล้วคือพระนิมอาควา ม, มันกลาวแล้วเนี่ย ที่รบกับเป็นไงจนเกิดจะจับเป็นไงได้แต่ไม่ได้แล้วก็ติดตามมาจับองตวนองตวนหนีมาทางหันโปเนี่ยฮันเปนี่คือเมืองทาหารของเสฉวนเมื่อเก่งติดตามาถึงหันโปนี่ก็เลยเข้าปั้นูในเมืองฮันโปเนี่ยตอนนี้ก็เมือนขงเบ้งละที่ไม่กลับเสฉวน ส, ส่งสมผู้คนฝากลาวพร้อมแล้วก็มีเสือแย่งลงไปยังเสฉวน โดยทูลแกพรเจ้าเราเสี่ยงว่าแต่ข้าพเจ้าทําการฝึกมาช้านานแล้วก็ยังหาไมีความชอบเป็นข้อใหญ่ไม่คือเจ็ดครั้งแล้วเนี่ยโดยตนเองและครั้งที่ อ, ออกฝึกพร้อมกันกันกบท่านพระหลว ง, งคงเบงมนันก็หลายครั้งเกณฑีก็บอกอย่างนี้ข้าพเจ้าทําฝึกมาช้านานแล้วก็ยังหาไม่ความชอบเป็นข้อใหญ่ไม่แบบนี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าโจโวนนั้นทหารพระเจ้าโจโวนแห่งวีกกกโมเขียงอีกรวยแล้วข้าพเจ้าและทหารทั้งปวงจะขออาสาไปตีเอาวิกกกมาถวายให้จงได้และถ้ามิได้ข้าพเจ้าจะขอถวายชีวิตนิ่งอินี ดูว่าจะจะรือนรอยตามประมาจามแห่งตงอยู่ทีเดียวของเบงก็เหมือนกันครากเร่าครั้งสุดท้ายนะ่ยบอกว่าจะไม่ขอกลับมาให้เห็นหน้าอีกเลยอะ่ะและของเบงก็ไปปลายซะกลางรับเพี้ยอุยนี้เราขออาษาดูจะกล่าหนักหนักไปกว่าของเบงจะอาสาไปตีปเอาวีโกกให้ได้ ถ้าและนิได้ข้าเจ้าจะขอถวายชีวิตนี้พระเจ้าเราสิ่งรู้ลิูนสื่อนั้นก็ดิ่งอยู่ม่ได้ว่าประการไดเตียวเจียวก็ทูลว่าเวลาถีนี้าเจ้าพิเคราะห์ดูเห็นดาวประจําเมืองเราวิปรีเลิกบ่นหาดีไม่ และสึ่งกินมีจะอาสายกพับไปครั้งนี้นั้นเห็นจะไม่มีชัยชนะขอพลูงจงห้ามไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกาวถึงเช่นนี้พระเจ้าราิีกุญจินตอบว่าบัดนี้เขาขอรับอาสาเราเองและซึ่งเราจะห้ามเขาไว้นั้นไม่ควรจำเราจะต้องให้เขาไป ถ้าภายหลังเห็นว่าผลพันธ์ประการใดแล้วเราจรึงจะห้ามผูอเจ้าเราเสี่ยงกับตัดสินอ่นี้เตี้ยวเกียวนุ่งกัทุนซ้าพัดผ่านถึงสามครั้งแต่เกิดยกผู้เจ้าเราเสี่ยงนี่ฟังคำเตี้ยวเกียวก็ทุนหลากไปแล้วก็คิดน้อยใจที่ตนเองกลับทูนพัดผานม่ได้ผลแต่ประกรันใดอย่างไรถึงเต็มก็เป็นทุณ น, นางเก่าคุณ น, นางผู้ใหญ่ น, นเมือ่อพัฒนาเป็นผมชนี้ก็เกิดความม้อยใจก็เลยทำาคุณไม้บอกป่วยแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเฝ้าเพื่อร่วมคิดราจการด้วย อ, อีกเลยายเกียร์อ่าเนือบอกหนั้สึอไปถึงพระเจ้าเราเสี่ยงแล้วเนี่ย กักเกณฑกองทัพจะโยกไปหรอต่อคือว่ายังไงยังไงก็ตามโดยก็มั่นใจว่าจะต้องมีได้หรอการอ น, านะานุญาตนะหวังขเอาเองีูบอกขึ้นไปแล้วหนมะกักเกณฑกองทัพจะโยกไปก็ปรึกษากับเลีย ว, วว่าทหารเกา่าเราจะไปตีเมืองวีโกสู้ไปเมงใหญ่บัด น, นี้เราจะรบเข้าไปทางไหนก่อนถึงจะดี นี่รานี้ปรึกษาเี้ยวหัวนะที่เราแวมากรมันจะปิึกษาก็แห่หัวปเครานี้ปิึกษาลี้ยวหัวเลี้หัวก็จริงว่ะแต่ท่านทำสึกมานี้ก็เป็นหลายปีแล้วทหารข้นรวงและรัสดรก็ไม่มีความสบายเลยมีเลี้ยวกล่าวอย่างนี้กล่าวแบบทุ่มคร่ำศึกคร่าบอจนเบื่อสึกแัละ ราษฎรฐานะดูไม่มีความสบายเลยและเป็นไงซึ่งอยู่น้ำมันมีมโกกนั้นเขาก็มีปัญญาและมีชื่อมีมากหาผู้ไดแต้บ้านผ่านนี้ได้ซึ่งท่านจะยกไปทำการครั้งนี้ขบเจา้ามีรู้ที่จะคิดด้วยได้เลยูลีว้วหัวขุนฐานเก่าแต่ครั้งอุ้นมูนุ่ะพอแก่การศึกแล้วอย่างนี้ เงดี ก, ก็ว่าเมื่อครั้งโขงเบ่งเป็นมหาอุปราชยกทัพไปทำการสุดที่เขาปิตสารถึงหกครั้งเป็นตัวตายก็เพราะท่านอาจารย์เราไหนเห็นแก่ราชการและตัวเราก็อุสา ท, ทำสงครามมาไม่ได้ถึง8ครั้งแล้วก็เพราะคิดว่าถ้าเป็นเการัชการแผ่งดินท่าน เราเป็นข้าจาชการแผ่นดินท่านหาเห็นแก่ราปกาศรับประกานได้อันเป็นประโยชน์แตัตวไหมบัตรนี้เราจะยกไปตีเอาเองินเตี้ยวเกียงไม่ได้ถ้าและผู้ใดขัดขวางเราเราจะฆ่าผู้นั้นเสียมีเกียงวิอ็อกคําสั่งห้ามคือห้ามขัดขวางเลยวางโทษตายเป็นประกันได้เลยและเกียงวิก็เรื่องเลี้ยวหัวนี่แหละ คือชาราแล้วนายแกสงครามยิ่งแล้วให้อยู่รักษาดึงหันตรงนี่แหละเกียนมีก็คุมนันส0มิลีนยกกองทัพมุ่งเข้าสู่เมืองเปียวเตียงฝ่ายเป็นนายเป็นนายกสุมาภกองต่างค่ายรักษาอยู่เขาีิฝา น, นี่แหละ หรือไม่ต้องไปไหนไปละรู้ว่าสุกเฉยชวนถจะเข้ามาก็ต้องผ่านเนี่ยครั้นผ่านกองประเวณเข้ามาบอกว่าบัดนี้เยงมีโยกกองทัพมาทางมืเตียวเกียงซุมากองได้ยินนั้นก็จึงได้ินว่าแกตีนงนายว่าเกียงมีคนนี้ก็เป็นคนมีความคิดมากซึ่งโยกมาครั้งเนี่ยก็เห็นว่าหาที่จะไปตีมือเตียวเกียงไม่ เหตที่จะมัดชิงค่ายเขากีสารนี่เป็นมั่นคงสุมาพรว่าอย่างนี้เป็นไงก็ตอบว่าชุนพันวานี้ขพเจ้าไม่เห็นด้วยด้วยขบเจ้าน่รู้อยู่ว่าเกียร์อุีนะจะมาตีมือเตียวเจียนเป็นแม่นอนอยู่กันเกียร์อุนนี้เคยมาลุกกับเราหลายครั้งอยู่ ยอมรู้ว่าเราตั้งมันอยู่ในเขาอีสานนี่เข่งแข็งด้วยสบียงอาหารบริบูรณ์ถัดแกลฐานก็พระพร้อมเห็นอยู่ว่าเกียงอี้ยจะไม่มาตีเขาอีสานอันมีเตียวเทียงนั้นเบียงอาหารน้อยถัดแก้ะฐานก็ร่วงเรยเห็นว่าเกียงอุ้ยจะต้องยกไปตีเตียวเทียงก่อนเป็นแม่แล้วก็หมายใจว่าจะได้เกลี่ยกอมชาเมุงเกียงเสียอีกด้วย เป็นไายอ่านแผนของเกียร์วีอย่างนี้เอาเรามาคิดกันเล่นๆสุมาปองเนี่ยอ่านไม่เท่าไม่ทันเลยสุมาปองก็าพูดถ้าเกียร์วีทำการเหมือนท่านรู้ดังเนี้ยท่านจะทําประการใดต่อไปเป็นนายเขาตบว่ราคิดอบายไว้แล้วท่านจงยกฐานไปตั้งกองซุ่มอยู่เมีองเกียวเจียงแล้วให้ล้มทงซุ่มปากสำหรับเมืองลงเชื่อ เอาทองลงให้หมดทั้งกรองรเแลกแปร ى, ก็อย่าให้เปล่าให้ตีเปิดประตูเมืองทิ้งไว้ทั้งสี่ด้านแหละแล้วก็ปอนครอบครัวในเมืองให้ออกไปอยู่นอกเมืองถ้าเห็นข่าสุดมาแล้วให้วิ่งหนีเอาตัวรอดที่ทำเช่นนี้เพื่อข่าสึกมีน้ำใจอาหารสำคัญว่าเมืองเปล่าไม่มีคนก็จะกลูกันเข้ามาในเมือง แล้วฐานที่กนซุ่มไว้นั่นแหละให้ปีตระก็ะพุ้งรังเข้ามาข้าสึกไม่ทำรู้ตัวเลยท่านก็ยึได้ ช, ชนะเป็นมัน่นคงอันตัวเรานี้จะยกไปตั้งส ก, กัดอยู่น้อเมืนเท่าโห้ก็จะวาดเฉยนี้ท่านเห็นประการใดเป็นงายวางแผนอย่างนี้อี่จะหลอกหมดขยี้เอียนอุย ในเมือเปียวเจียงละ่ะซูมาปองฟังแผนนี้คงเป็นยแเราเห็นชอบด้วยทีเดียวครั้นศึกษาเห็นพร้องต้องกันแล้ะก็จัดแจงเอ้สูปเปาคุณหนานอยู่รักษาแค่ที่เขาที่สานี่และทั้งสองนายแหละคือเป็นายและซูมาปองก็ยกรัพไปกระทำตามที่ปรึกษากันไว้ทุกประการ ไายแหวป่าซึ่งเป็นทัพหน้าของกีนยนี้ครัมยกมาถึงเมืองเตียวเจียงแปลดูไปใหนเมืองเงียบเฉียงพงทิวบนเชิงเพินก็ไม่มีมีตามบูบายติดติงหายวางไว้ประตูเมืองก็เปิดทั้งสี่ด้านแหวป่าก็ประหลาดใจนีอาจจะเข้าไปในเมืองได้เหมือนกันก็ปรึกษาแกถานหวงวงาก็ถึงว่า ขบเจ้าขบเจ้าว่าคนจะไม่เป็นคนอมายอย่างใดหรออันนี้เปล่าอยู่ดังเนี้ยก็อยูว่าชามเมืองเห็นท่านยกกองทัพมาชาวเมืองนี้อาจจะสู้รบได้กอพากันแต่หนีไปแถหวัวะป่าได้ยินฐานเตือนปวงว่าดังนั้นแลดูไปทางด้านหลังเมืองหเห็นครอบครัวชาวเมืงมองดูวัวสูงดูไปนั้นมากนี่ ออกจากเมือหนีไปอย่างนั้นก็ครวบมาไปดูฝ่ายครอบครัวชาวบ้านชาวเมืองทั้งพวงการเห็นแหววป่าคูกมามากตกใจพากันหนีหนีไปตามทางทตะวันตกและพิศใต้อันนี้ตามคําสั่งสุมาปองละวห้หนีไปตามทางนี้ข้างฝ่ายแหววป่าเห็นครอบครัวนี้กกระจายไปก็สองพันว่าชาวเมืองเนี่ยทิงเมืองหนีไปซะแล้ว อดิต ก, กลัวเกรงแกอำนาจ ก, กองทัพคนก็ดีใจหารู้ในกลนุมายเข้าไหมแัวปาก็พาฐานกรูกันจะเข้าเมืองฝ่ายสุนมาปองตั้งสุมอยู่ในเมืองเดือนข้าสึกลุกออกมาถึงประตูเมืองได้ท่วงทีแล้วค่อยฐานกุูประทัดโฮรองยกธงขึ้นพร้อมกันแฮ่ฮกป้าเห็นก็ตกใจพาฐานถอยมาทิ้งเชิงกำแพงชั้นหก พวกทหารชาวเมืองก็ยิงเก่าทันทุกทีกาพุามากลันมาออกมาถูกถูกแหัวป่าแม่ทัพมาคนสำคัญของเกียงอุยและทหารทั้งห้าร้อยที่บุกตะวีเข้าไปตายในนั้นหมดทิ้งเลยทีเดียวเ็นาวะซมาฟองก็มีชัยชนะยกฐานออกมานอกเมืองก็พอดีเกียงอุยอันเป็นทัพหลวงยกตามแหัวป่ามา สุมาปองพาทหารมานอกมือง เ, นะเกียงอี้ก็ขับหารก็รบพุ่งกันสุมาปองสู้มีได้ก็ถอยทัพกลับเข้าไปตั้งมันอยู่ในเมืองเกียงอ้ได้ทีก็ไล่ติดตามก็ตั้งประชิดเชินตำแพงเมืองไว้แล้วก็ได้เห็นแหวบปา่าขับทหารอ0ห้าอยตายอยู่เกลือนกลาดมังก็โกรดนะ เกี่ยนี้กำชับทารร อ, องเรีนเขาว่าเป็นสามมากทีเดียวนอันว่าเกีนี้เขาร้อมเมือยนเปียนงได้ไหมจริงล่ะแต่ที่สำคัญของความสูญเสียนี่คือเสียแหววป่าไปแหววป่านี่เป็นคนของมีกบก่อน แต่แล้วอยู่วิโกโใหม่ได้เจ็ดขงเขากำลับปราบปรามอะไรนี้มาอยู่เกียงยวีเนี่ยเอาเ่อเียงวีศูญเสีเยแฮร์โวปาแม่ทัพคนสำคัญไป้องกับปานกลาตายจะมวนห้าร้อที่เป็นกองมากสั่งล้อมเมืองว่าเป็นสามารถอ่พินิจฝ่ายเป็นไงถี่ไปตั้งกองทัพอยู่เมืองเฮ้าโหคระนุกเกยตวียกขาประเทศมือเตียงวีดวยดังนั้นเวลาดึก ประมาณยามเสร็จแตง่ายก็ยกมาช่วยสุมาปองซึ่งอยู่ในเมืองสุมาปองเห็นกองทัพแตง่ายยกมาห้อยฐานโหร้องยกออกมาจากเมืองตีเกลนหนากองทัพเยรติมีเป็นสองพับสิคือฝ่ายนอกก็แตง่ายตีเข้ามาฝ่ายนายก็สุมาปองปีออกไปฝ่ายเศษชวนคือเกียนิวี หนทั้งนอกทั้งในะน้นสู้ไม่ได้ก็แตกหนีไปตั้งอยู่ไกลประมาณ200เส้อยนทหารทั้งปวงนะ่ะเสียน้ำใจยิ่งนะยอดท้อแก่การสุดเพลทีเดียวละ ก, กีนกุยเขนเนทหารทั้งปวงต่างคงต่างก็อิจฉรอยยอดท้อแก่สุดเช่นนั้นแล้วอ่ะก็ประกาศขึ้นทีเียว่าอันประเพณี การทำสึกสงครามนี้แพ้และชนะก็ย่เป็นธรรมดาคือไม่แพ้ก็ชนะไม่ชนะก็แพ้อย่างนี้ครั้งนี้ท่าทานผู้ใดออกปาดยอดท้อแต่ฆ่าสึกไม่ตั้งไม่ตั้งใจทำราการโดยสุจริตแล้วเราจะฆ่าถูนั้นเสียมีเกียงอีเริ่มต้องใช้อำมากแล้ว ก่อนยกออกจากเมือนก็สั่งห้ามการทัดทานใครว่ า, าวกล่าวทัดทานฆ่าบัดนี้ใครท้อถอยฆ่าขนาดนั้นเตียวเอกสุ่งเป็นาทหารนก็ถกือว่าเกียดอวว่าบัดนี้ข้าพเจะาเห็นว่าข่าสุดจะยกมาทำการอยู่กับท่านนะที่มีสิ้นแหวที่ให้เขาขีสารนั้น เห็นจะไม่มีผู้ใดอยู่รักษาข้าพเจ้าจะขอดานกองยกไปตีค่ายเขาอีสานเพื่อข้าสุดจะได้สรวงรวอยู่กับพันธ์ธานี้ก็ เ, เห็นว่าจะได้ค่ายที่เขาอีสานทั้งเ้าค่ายเป็นแน่ครั้งได้ทหารเพิ่มมากเขาแล้วข้าพเจ้าจะได้ยกเข้าไปตีเมืองเตียงห่างอันเป็นมือสาคัญของวิกกเห็นจะได้โดยง่าย เดียวเอ็กเข้ามากล่าวอาสาเี่นี้แผนการไม่ดีเชด้วยเอียนวีก็เห็นชอบ้วยกว่าจะให้เตียวเอ็กนี่ยยกไปทังเขาที่สาส่วนตัวเอียนวีก็ยกหานกลับไปรบกับเต็งนายฝ่ายเป็ยงนายเหมือนเอียนวีหนีไปแล้วกลับยกเข้ามารบอีกเนี่ยเอาเป็ยงนายก็ออกรบกัเียนวีอะเป็ยงนายเอียนวีต่อสู้กันได้เพลนอาวุธบนหลังมา เป็นสิกเพลงคนนีไ้ได้แพ้ด้ชนะแก่กันพะตกเยน็นบางคนบางก็อย่าพกลับเข้าข่ายนี่เกียรติจะเป็นไงถึงจะพะเพยอาวุธกันเองเลยครั้งเช้ากีตอ ก, ก็ยกไปไประชิดมากขายไงแต่ไม่เห็นเป็นไงออกรบเียรติอี ก, ก็ส่งทหารไปร้องมา เป็นข้ออยากช้าทีเดียวละถ้าทายใครเป็นไงออกมารบด้วยนะฝ่ายเป็นไงแม่หนก็นิ่งอยู่แต่ในค่ายอะ่ะไม่ได้ออกรบด้วยหนุ่มเป็นไงามาเกิดใช้สติปัญญามากกว่าเป็นไงไม่ฝีฝรัมออกไปรบด้วยหรอกก็กับปรึกษาเดาจีร่วอันทรายเสฉวนนี้ยกมาทําการขั้งแรกกับผ่ายแพะบอกช้ำเป็นหลายครั้ง แผลวัป่าฐานาเน่าร้อยตัวตายในที่รบกิกนมือก็หายแพ้เราหนีไปแต่บัดนี้ยกกลับมาชนิดดูว่าไม่มีความย่อท้อเลยกลับมัด่าท้าทายรบชนีอีกเนี่ยเราเห็นว่าสูเป๋าที่เราอยู่รักษาไข้เขาอีสาจ น, นั้นเนี่ยทหารก็น้อยข่าสูค ง, งจะ ้ยกกองทัพรอกรัดไปไปสู่ป๋าที่เขาทีศาจเป็นมั่นคงนี่เต็งนายค่อยๆอ่านอ่านจัดการเกิดทำทุกเย็นอีนี่แหละก็รู้ว่าดาวสถานการณ์สุดเดออกเลยเป็งนายประมาณสถานการณ์สุดชนนี้แล้วเนี่ยที่มันถูกต้องทีเดียวเป็นความจริงซะด้วย เป็นางกูเรี่ยเป็นป๋องผู้เป็นบุตรเข้ามาเป็นป๋องบุกเป็นไงกูนเนีเ่ยงมีมีร้รายกานะเคยสู้รบกับเกียรติวีทุกสี่สิบเพลงเกียรติวีก็ชนะเป็นตน่อย้ได้เป็นางเรียกเป็นป๋งผู้บุตเข้ามาสั่งว่าเราจะยกไปช่วยเขาปีศาจส่วนเจ้าอยู่ข้างนี้เจ้าคุณฐานอยู่รักษาหข่ทารกข่าสุดจะเข้ามาทําประการใดแล้วจ้านี้รักษาตัวอยู่แต่ไม่คไข่ จงไม่ต้องออกรบพุ่มเลยเป็นงางสาั่งลูกชายคนดังนี้เป็นผงก็รับทำตามที่บิดาสาั่งแหละครั้งเวลาค่ำเนี่ยเป็นายก็องหลานสามพันออกจากไทยรีบกลับไปทันเขาอีกสามฝ่ายทหารกองจะลืน บอความไปบอกห้เกียร์อกยแบบ น, นี้เป็นไงยกฐานออกจากท้ายเห็นจะมาโจมตีเราเป็นมั่นคงเกียง์ุยก็จีวะขณะนี้ก็เป็นเวลากลางคืนไม่รู้คาดศกลยกมามีจะทำมือบายไปประการบายชั้นใดอย่างไรเราก็ยังมิแก เราจะตั้งมันฟังดูอยู่แต่ไม่ค่ายก่อนด้วยพริบพรออกไปจะไม่เด็ด ก, การในเกียร์อุ้ยก็ระมัดระวังอยู่ด้วยกันไม่รู้ว่าเป็นไงจะทําอย่างไรฝ่ายเป็นไงยกหันมาถึงหน้าค่ายเกีนอุ้ยก็เห็นเกียร์อุ้ยออกมารบด้วยดก้อยฐานโหร้องสมทัพกุญแอึ ท, อ ท, อ ท, ทีเดียวเพื่อทำทีว่าจะมารบด้วยละ่ะแต่แล้วก็ยกหานหลักเลยไปเขากีฝั่ง คั้นเวล า, ชาวเช้าเกียนนี้นันบรหารุนามาพร้อมกันแล้วก็จึงว่าซึ่งเป็นงายยกกองทัพมาเมื่อคืนเนี้หาได้ตั้งใจที่จะมารบกับเราไหมแรงกระทำให้เราไว้ใจแต่บัด น, นี้เป็นไงนะ่ะมุ่งหน้าไปยังเขากีสานแล้วเราจะยกตามไปช่วยดียวเอฟจิงจะได้มีเกียงนี้ก็อ่านออก กนี้ก็สั่งให้หูหยังคุณหานอยอะฝาดข่านี้ส่วนเกมนี้คุ้มานสาม0ันตามเป็นนายไปเพื่อจะช่วยเตียวเอ็กมะเขาติศาจน่ะฝ่ายเตียวเอ็กเจ้าของแผนการจะรอบรักไปตีข่ายทีเขาทีศารของเป็นนายอ่ะ่า ค, คั้เดียวเอกคุมทหานมาถึงเขาทีา่ศาจก็เข้าตีค่ายเปาสูเป็นหลายครั้งฝ่ายเปาสูนั้นแนหะความพิษก็น้อยรู้ไม่ถึงเดียวเอกอีกทั้งทหารก็ร่วมเลยควรจะเสียค่ายแก่เดียวเอ็กอยู่แล้วก็พอดีเป็นไง ย, ยกฐานตามมาทันเป็นไงเห็นเดียวเอ็กประชิดค่ายเปาสูอยู่ตรงนั้น เป็นนายก็เร่งตามไม่เข้าโจมปีเตียวเอ็กเลยเตียวเอ็กถูกปีกระทบหลังก็แตกหนีไปอยู่หลังเขาเป็นนายก็ยกปิดตามสกัดต้นทางไว้ขณะนั้นก็พอดีกเกียงมียกตามมาทางเตียวเอ็กซูดหนีไปอยู่หลังเขานั้นร่วงเกียร์อียกมาช่วยคนมีใจใครถามหัวร้องกลับปีกระหมากออกมาเป็นนายก็เสียที จะสู้ก็มีได้ก็แตกหนีกลับเข้าไปในค่ายเขาทีสานแหละฝ่ายเียีเห็นเป็นงายแตกพ่ายกลับเข้าค่ายไปก็ส า, านฐานไม่แยกออกเป็นสีกองตังประชิดล้อมค่ายเปงนงยนักเขาทีสาไว้เป็นมั่นคง ท, ทีเดียวเป็นอันว่า ร่วมเป็นนายข้า้แต่จะว่าใครได้เปรียเสียเปรียบดดีอย่างไรอยู่ที่ฝ่ายเพื่อเจ้าเราเสียงอยู่ในมูลเศดชฐวนนั้นก็เชื่อฟังถ้อยคําีห์โหสึ่งเป็นรันทีผู้ใหญ่เศรษราทุกวันนี้ดได้ขลุ่นด้วนางนักสมมกล ม, มันใน มีได้นำพาที่จะออกวัดจะการบ้านมีจะประการใดอะบรรดาคุณาที่มีสติปัญญาเคยทำประการมาแต่ก่อนๆ น, นั้นต่างก็พากันเสียใจไปตำตานกันต่างคนต่างก็เอาตัวออกค่อ่าโกนี่ยยันอาที่ เตียวเตียวอได้เตเตียวขาวให้เตี้ยวเตี้ยวกลาวุนทักทาบอกกล่าวที่แจงพระเจ้าเราเสี่ยงกบไม่ยอมเชื่อฟังเนเปียวเตียวบอกป่วยและก็มเข้ามาชี้กระจกการมีแหละเหตุการณ์ต่างๆนั้นๆเหล่านี้ทาให้บรรดาผู้นำต่างๆนีพพากันเดินหน้าราอาใจไปตามๆกันต่านก็ตัวออกหาบไปแล้วก็มีแต่คนใหม่ๆ ประสมประสานกับวีโได้คนกียกว่สมาชิกพวกทีวีโอกินสิ้หมาสิ้นลมนำคนเรานี้เกามาแต่งตั้ในราชการนะคนเรานี้เข้ามาแทนที่เป็นขุนนางอยู่เป็นอันมากราชการงานเมืองใดๆก็มิดได้ฝ่ายเงียนคนหเป็นขุนนางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นที่ชอบใจของวีโอยู่วีโอกันทีมีนก็จะย้อนรอยกลับไป เลื่นต้อีกแล้วครับเอียนอูเป็นคุณนายผู้ใหญ่ที่ชอบใจกับวีโอลนะ่ะเขจึงคิดว่าเรามาเป็นคุณนางใหม่ๆยังหามีความชอบใหม่เขาจึงว่าแกวีโหล่ะครั้งนี้ท่านเห็นดูขบะเจ้าช่วยทูลพระเจ้าเราเซียนให้ตั้งขบะเจ้าเป็นแม่รับแทนเกียร์อูเธอะ ื่อเจ้าจะให้ซรับแก่ท่านตามสมควรนีดูจะเป็นแม่พัพแผนเกียร์มีมีโฮได้ยินดังนั้นว่าจะได้ซรับนี่ก็รับคำก็กขอบไปทูลพระเจ้าเราเสี่ยงนะว่าแต่เกียร์มีอาสาไปทำสุดนี่ก็หลายครั้งแล้วหาด้ชายชนะไม่ขอรวงจงให้หากลับมาเถอะ แล้ก็จึงตั้งเงียนอูออกไปเป็นแน่ทัพแทนฉันจะทำการสุดมีชัยชนะได้เพื่อเจ้าเหาเสียงคุณมีเชื่อสายเ ก, กิดสับแต่หาก ม, มีสติปัญญาแต่ประการใดไม่เด้ฟังวีโอขันตีใกล้ชิดกระบภูมิดังนั้นก็เห็นด้วยก็จึงจะมีหนังสือไปหาตัวเกียนกุย เกียร์ก e. ุยซึ่งต่างประเิศเป็นงานอยู่ในเขาปีสาจนั้นเ ม, มื่อมีหนังสือรับสั่งให้เลิก e. ครับเกียร์กุยก็ยังไม่ยอมกลับเมมีหนังสือรับสั่งมาถึงสามครั้งขาดนิดหด่ก็พาฐานน้วนยกครับกลับตามรับสัารละครั้งเดียวรู้เช้า ผานกองตะเวงก็ไปบอกกับเตงไงว่าบัดนี้เกียร์อุยอะทิ้งข่ายหนีไปแล้วเตงไงด้วยความก็คิดว่าเอกี่จะเป็นคนรุ่มายของเกียง์อุยก็ได้เตงห้ก็จริงๆไปยกฮักตามไปอย่างไรฝ่ายเกียง์อุยก็ยกฮักกลับมาเมียหันโแล้วก็ฐานะบุญยับยั้งอยู่กว่าส่วนเกียง์อยนั้นก็เข้าไปเมืองเสฉวนฝ่ายก็เจเราเสียน ครั้งนี้เกียร์อย์ยกทัพกามาถึงแล้วยังไรก็ตามเถอะควร ก, ก็ยังรู้อยู่ที่กระทาไปนั้นมันถูกทดิดประการใดอย่างไรควรมีควรขังนายแต่ก็ทําไปแล้วล่ะก็ย่อมรู้อยู่ก็จ ร, ริรม่ไดเสน็จออว่ า, าจะตางถึงสามเดือนนี่ียร์อูก็ไปคอยอยู่อย่างนั้นสาเดือนเพระเจ้าเราเสียไม่เสดอต่อเลย ก็คิดสงสัยใจนะครั้งวันนี้ได้พบกัขบขาบแก้งขบับทีนี้ก็ถามว่าเราไปทำศึิอยู่ข้างลน้นแต่พระเจ้าเราเสียงมีนิงสือรับฟังให้ริษหาเรามาดังเนี้ท่านรู้เหอนความว่าหนักเบาประการใดว่าเรามาคอยเข้าเฝ้าอยู่เป็นสามเดือนแล้วแนี้ ยังไม่ไเข้าฟาวแตทสักทีขับเก่งก็จก่งบอกว่าบัดนี้มนะีโหถ่กเดินขั้งตีไกลทีกลับถูนดยงพระเจ้าเราเฟียนที่นีรับสารเรียหาท่านกลับเข้ามาหวังจะให้เกียรตอูเนี่ยออกไปเป็นแม่ทัพแทนท่านนีเกียนติอูรู้ความนี้เข้าที่นี้ก็โกรธนะก็ถือว่า เราจะต้องคิดอ่านข้าไอฮูโฮขันทีนี่เสด็จได้ก่อนกิ่งชิ้อย่างนี้เลยขับจีนก็ถึงห้ามว่าขราเจ้าเราเสียงอ้างท่านเนกเป็นแม่ทัพผู้ใหญ่ชึ่ท่านจะมาทำใจเบาข้าวูโฮเส้นดังเนี้ยถ้าพระเจ้าเราเสียงรู้ก็จะสมพระพิโรธจะลงอาญาแก่ท่าน ทนก็จะได้รับความอับอายยศแต่ก า, ารทั้งปวงที่มีด้วยความขับเกลกล่าวทวงเองเช่นนี้ก็ได้คิดเหมือนกันมันก็นนกยากเหมือนกันต่อการที่จะหาโคน่นวีโรให้ได้เนี่ยกงนี้ก็จิงว่าที่ทานพัดพาเราทางนี้ชอบอยู่เราขอบใจท่านนะ เละาต่าโคนต่างก็ลาลักไปแต่ถังวิ่งไม่ไม่สามารถจะกระทำอะไรแกฮุยโฮได้จนวันนึเกียรมีรั่วและเจ้าเราเส์สุราอยู่กับเจ้าฮุยโฮคันตีที่ตำหนในสวนเกียรมีก็พาหานสิบคนเข้าไป หวังจะจากเจ้วีโฮคือคือเจ้าวียังทำอะไรไม่ได้ะก็ไม่ทำแต่วันนี้คิดว่าจะทำให้ได้เอาฐานสุบคนเข้าไปเลยฝ่ายเจ้าวีโฮั้งทีเห็นเพียงอีพาถานเดินเข้ามาแตกลายมันกี้ลัวอีไแอบอยู่ข้างภูเขาเล็กๆที่ทำให้ในสวนน่ะมีลักษณะของสวนดอกไม้อุทยานสนวนปังอะไรนี่แหละกมีภูเขาจำอง แต่ีโเข้าไปแอซ่อนอย่างนั้นเนกะงคุครั้งก็อยินเเาลัเสียงก็คันาแล้วก็ร้องหกลาบปูว่าครั้งนี้เข้าไปเจาไปทการสึ ด, ดินะเขาอีสาก็ือนจ้ได้าที่ น, นาแต่ข้าศอยู่แล้วเป็นตอนไหก็เอ็นจีไหาเข้ามาจาะกลับมานีมีเหตุประการใดโอมีก็กลาบปูหนิงเนี่ยก็ตี พะเจ้าเราเชื่อฟกงอนมิม่งนี่เดรกปอกคำประการใดอีกนึ่งก็พูดต่อไปว่าพราะองค์มาเชื่อฟังเพื่อทำไอวีโฮไอวีโฮคิดพะนง น, นะเห็นกะเหมือนครั้งพระเจ้าเลนเต้ที่มีขันธีสิบคนนั้นขอองค์จงเล่งตำต่อไอวีโฮเถอะเมืองเสชวนก็จะอยู่เย็นเป็นสุข และซึ่งดูวีโก้นั้นก็ <S <S จะเอาได้เลยนะนี่เกี่ยงวียกความแต่ครั้งต้นขึ้นมาอ่านเลยลก็ตีแห่ะราชวงศ์ฮั่นวีมาไปก็เด็ดทั้งทีสิ่คนเป็นต้นเหตุนนะและมาบาัตมือพระเจ้าหลับปีทรงสถามนาราชวงศ์ฮั่นต่อมาได้แล้วอย่างนี้มาถึงพระเจ้า เราเสี่ยงเนี่ยจะทำให้มีหมัดขึ้ น, นี้เหการณขึ้นนี้อีกเนี่ยวา่าเจ้าเราเสี่ยงนี้น mm hmm. ก็ได้ความกระตือรือรจะวิโอขันทีอยู่เนี่ย mm hmm. ก็มีใจลำเอียงมากาเป็นธรรมดา mm hmm. ก็จริงว่าอยู่มีโอนี้ก็นแต่ขันทีเราก็ใช้อยู่ข้างในท่านว่ามันทํานงใจนี่เราไม่เห็นด้วย ท่านจำไม่ได้เมื่อครั้งต่าอุนมีความวิสยากล่าวโทษนั้นเราก็คิดถัดใจอยู่แบบนี้เขามาวาอีกล่ะเราหาเชื่อฟังท่้นไหมเพร่อเจ้าเรารเสียงไม่เที่บฟังคำเกียร์วีเกียร์วีที่ฟังก็น้อยใจกราเลงติ้งแม่เอะทบกับแผ่นดินแล้วก็ทูลว่าชื่อเราไม่ฟังขบเคี้ยวแล้ก็แล้วไปเถ แต่เห็นว่าอันตรายจะพลันมาถึงตังงเอป็นมั่นคงท่าเจ้าหับเสียงก็คิดว่าประเป็นคนทั้ปวงนี้ถ้ารักกันแล้วก็ส่งเสริมกันว่าดีถ้าทักันแล้วก็หวัชัวแล้สูต่า ง, งมาคิดอิจฉาไอ้วีโฮเนจะปราณนาสิ่งใดท่านเจ้าหลัเสียงกลับนี้แล้วอ็กวาดมือเรียกวีโฮให้รรมาทำหน้าดี วีโว่ก็เข้ามาทำมัดตีนอุยแล้วก็ร้องไห้ทีเดียวและกาอันตัวข้เไ้านี้ก็เป็นแต่คนใชยอยู่ข้างในหาได้ออ์อาจเลื่ไปว่ากล่าวราชการไม่ขอท่านเดี๋ยวได้เชื่อฟังทค ำ, คำคนยุยงเลยมันชีวิตเข้าไปแก้วนี้ก็จะหากไว้แต่ท่านหวาดแล้วจะวีโห่คันนี้ก็ซบมากลงร้องไห้อยู่กับที่ยืนีเขาเห็นวีโว่ร้องไห้ว่ากล่าวดังนั้น กหายโกรดก็ามาบราเจื่อรอสี่งออกมาแล้วก็ไปเล่าความตั้งสิ่งเมื่อเกิกขับเก่งฟังกามพ่อยาทำให้เธเรอสี่งหวาด่าทุประการแบบขับจกิงก็ริงพู้บาแต่แรกเราก็เลยรับพานแล้วแต่ท่านก็ไม่ฟังคำเราก็จึงเป็นเหุบังเนี่ยได้ผลประการใดอะเราเห็นว่าตัวท่านเนี่ย ต่อไปจะไม่ค้นอันตรายเป็นมั่นคงถึงตำแหน่งท่านจะเป็นแม่ทัพแจกราการใดอย่างไรก็ตามเกียงนี้ท่านจะเร่งพอนพันระวังตัวเถิดขับเป็นกล่าวดังนี้เกียร์ู้ก็ตกใจทีเดียวก็จุว่าท่นห้ามเราเราไม่ฟังท่านนี้ก็ผิดเัือและบัดนี้การเป็นช่นนี้แล้ว คุณจะช่วเราขดก า, ารประกาศไดจงจะพ้นภัยได้หรอคจนวีก็ไปคิดทีเดยวละาตองกจอทําห้เจ้วีโวไปเช่นนั้นแต่ไม่ทําไม้สรอจจะวีโรอดตายได้หรออย่างน้นถ่งนักล่าฝาดฟัฝาดตัวฝาชีวิตขออาภายัยต่อการระประการหนึ่งนะมึนก็กล่าเพีงแ่เอาตัวรอ แต่อิทธิพรร ม, มีมันนั่นมันมีมากอยู่ตัเองนจะไม่พ้นภัยคนกินโดที่ขับยิงว่ามิวี ก, ก็รู้แจอยู่ก่ผม อ, อยู่ก็จิงกล่าว่าจะทำยังไรจะพ้นภัยขับยังก็จิง ว, ว่าชื่ท่านจะอยู่ใ น, นเมืองเสชวนนี้ถึงจะไม่พ้นภัยน่ท่านจงทูลลาไปตั้งอยู่ณตาบหลวงเสถะนั่ น, นแหะพอจะค้นอิทธิพลจิ้งอโจวีโฮด ถ้าถึงรีดูขาโพดสารีออกรวงก็จะได้เกบเี่ยวข้โพดสารีเราเ้นไว้เป็นกำลังแก่ฐานทั้งัวงอีนึงก็จะได้ทาการกับเมืองวีโกะต่อไปท่านก็จะมีอาญาสึกเป็นใหญ่เึง จ, จะพอกันอันตรายได้ขยิงก็กลาวเน็ม า, า, า, าวิทยียงมเอางานทัน้งปวงนี้แหละ มาเป็นเกรบบาะป้องกันรักษาตัวละเจมี่ได้ฟันก็จิดว่าขุน ก, กล่าวนี้คนนี้มีคุณหม า, หาคุณที่แกาจาริบว่าในแอนทองว่าและวเจมีก็ปลาถับเอ็งกลาบไปครั้นดูชาวเจมี่ก็เข้ไปครอบและเจ้าเราเสียงแล้วก็กล่าวพูดว่าเขาเจ้าทำแอนสุดมาก็นานอยู่แล้วหทหารต้นตัก็อิกโอยบ น, นี้คงจะ จะขอตุนราผูออนไปตต้งอยู่ในตำบลหลงเสจะได้ทำไร่สะสมเสียงไว้แต่การทหารและจะได้ฝึกสอนหักทหารในจำานในการสงครามจะได้คิดทำการเอาเมืองวีโกต่อไปายที่เจ้าจเราสิงห์กเห็นชอบด้วยก่อนอนุญากว่าตามแต่ความคิดถึงถึงเียงวีรับรับรับ่งแล้วขกมะนับราออกมาออกเดินทางไปเมืองฮันสุ แลเียนหาคุณนานทหารมาพร้อมแต่ละกวบบัดนี้เพื่อ เ, าเราเสี่ยนโปรเพื่อเรายกไปตั้งอยู่ในตำบลหลงเสเือเกิดทำไรนาสะสมสะเสบียงฝึกสอนทหารให้ ม, มาจึงก่าเรียนตัวให้พร้อมแต่และเราจะยกไปครงบอกแจ้งแต่คุณนายทหารมาพร้อมแล้วก็ทีนี้เอาเทอ่าเอาเอาเทไปยุรปสามเดือ เสี่ยงเสียาลให้องเสียไปอยู่รักษาเงินโก้เสียให้เกียวปีนไปอยู่รักษาเงินหันเสียแล้ให้เกียวสีกับปุ๊กยันคุณบานจะเป็นกองประเวณีบางทางทุกตาบลส่วนตัวเกียวอวีนั้นพาทหาร8ปดม ยกไปตั้งอยู่ในตำบลหลงเสนิสัยเป็นนายเิด ต, งตังอยใเขากีฬานั้นก่อต้อ ง, งจับซาหการณ์ทุกตรอบตัวร อ, วร อ, วรอบบ้านเสมอก็รวบเอียกคู่ับกลับมาตั้งข่ายอยู่นตำบลหลงเส14 ข, ข่ายเป็นน า, ายก็ยื่นผ่านเขียนเป็นแผนที่ คือเรตัขาดตนหลวงเส้น่ะแล้วก็เร่นออให้แต่ซุมาเกียวฝ่ายซุมาเกียวขณะนี้แผนที่นันก็มีความโกรธนะก็รวาไอ้เกียร์วีคนนี้เคยยกมาทาการศึกแต่เรายืเื่ครนี้เราแต่คิดจับมันให้ได้ขนาดนั้นข้างฝ่ายซูโจย่ะก็จริงว่าอันมีเสยสวนทุกวันนี้ พุทะเห่าเสียงก็มีกจยโงรักผู้ยญิงและเซตสุรานิเบขเสียถือถ้อยคำให้วีโฮสึ่งเป็นขันทีคนนุณแบบนี้คุณนางนซึ่มีสติปัญญาใน เ, นเ ม, มืองเสชวนนั้นต่างก็มีความ น, น้อยใจต่างคนต่างก็เอาตัวออกห่างขึ่งเตียงกูรีมาตั้งข่าอยูม่มาะบนหลงเสนะตัววังให้พยคุ อ, อันตราย ขอขึ้นทุนเร่งให้ฐานยกปปตีอมวธเสฉวนเถิดเห็นจะได้โดมง่ายนี่เขาอ่านความหมายทีเดียวละ่ะเจาะลิ็เข้าไปในเสฉวนเลยอ่านเข้าไปในทะเสว่างเลยอ่านเข้าไปถึงจุดเสียมที่แท้จรของเหล้าเสียมเลยคนเนี่ยสุมาติโยนมีใจว่าระโดยสิ่งึี่ท่า คิดแค่นี้เราเห็นชอบดิมะอันนจำใจเราอ่ะคิดจะไปตีเอาอเงสนยส่วนชานานนอยู่แล้วและแบบนี้ท่านเห็นที่ได้เปนแม่รัพคุณหานจะตีเงินใส่วนได้หรอซึเจอก็คิดวข้าพ เ, เจ้าถึงเป็นไงแหละเป็นผู้ประกอบด้วยความคิดมากขอท่านจงตังต้งเป็นไงเป็นประหลาดครับตัเกเจนโอยให้เป็นแม่ทัพยกไป เห็นจะตีมือเสีชวนได้สําเร็จมีจองโอยเป็นนายบุคคลสําคัญทั้งสองในตอนปลายของสาโอ่งนี่จะได้ออกทัพร่วมกันจองโยนีเขาอยู่บนเมืองหลวงอยู่กล้ชิดมากกว่าเป็นแม่ครับส่วนเป็นนายนี่อยู่บนเมืองเป็นประหลาดทัพซูมาเกียวโดันก็นชอบด้วยก็จึงใหจนเลยเข้ามา หรือว่าเราเท่าทันเป็นแม่ครับอุ้หลานไปปีเมืองกลางตังเห็จะได้หิือไม่ได้มีสมาชวกับป่าบชนีนะเดี๋ยวงเลยเข้ามาแทนี่จะบอกให้ไปตีเสือิเปล่าบอกให้เป็นแม่ครับพูดไปีเมืองกลางังจะได้รือไม่ได้จงเลยนั่นก็จืว่าเขาจเจอรู้อยู่ว่าท่านแปลว่า จะให้ขบจอกไปตีมือกลางต่างเงหายจริงมามท่านจะให้ขเจ้าไปตีมือเสือฉวนดอกสมาเตียวในตอน้ก็หวรอและก็จึงว่าท่านเรื่องรู้นักใจเราชนิดแบบนี้เราจะให้ท่านยกไปตีอมือสือฉวนท่านจะคิดประการใดตีเจ้มือเสือฉวนได้จงโหรก็จึงว่าท่าจะคิดเอามือเสือฉวนนั้น าเจ้ารู้ท่าทางอยู่เห็จะได้ง่ายจนโยว่าดังนั้นแล้วก็เอาแผนที่มืเสยส่วนนยออกมาการให้สุมาเกียวดูเลยทีเดียวสุมาเกียวนี่นก็เว่ามันามคิดท่านี้ควรจะเป็นมายหาผู้ใหญ่ได้จงยกกองพัพไปบรรจบกับปีใไม่เอาเมืองเสือ่วนในจุได้เถ จนโง่ก็ถือว่าเมืองเสษขวานั้นเป็นเมืองใหญ่จะยกกองทัพเข้าไปแต่ทางเดียวนี้เห็นจะไม่ได้จําจะต้องแยกกองทัพไปให้เป็นหลายทางจึงจะทําการเอาเ ม, อเมืองเสษขวานได้ซูมาเกียวก็ปั้งจนโง่ให้เป็นที่จึงใสจนขุนพกแลด้วยความบอกเป็นพระยาปราทิศตะวันตก ให้ทหารหัวเมืองไปที่จงหัวแล้วก็เขียนสูตสมัครนึงให้ไปถึเป็นนายให้เป็นนายคนที่เจงใสจนขุนเหมือนกันกับจงหัวนี่แหละให้ตำแหน่งเท่ากันตำแหน่งจึงใสจนขุนเหมือนกันจะให้เกณ์ทหารเวียงหลงเสมาบรรจบกับกองทัพจงหัวไปเมืองเสฉวนนี่แหละจงหัวก็รับตราตั้น ครัรับราตั้งแล้วก็คำามาปามาเทียออกมาสังหางเรเมืองใต้บังคับของตนไปพร้อมกันนงจีีไปตั้งหลักเมืองจียงจและเมืองลับายเนั้ในะให้เร่งต่อเรือรบรอวัดให้กติศั์มีวาจะไปเมืองตง่างาอย่างนี้นีจงเบา จะทำที่ทาจะไปตีกร์ตูนด้วอย่างนั้นแหละต่อเรียร์ออยู่มรมีชายทะเฝ่ามาเกียวครั ง, มมงรุง่งวัดจงโหยทหารไปตั้งกองต่อเรียรร็อกายทะเดังนั้นก็เลยหาตัวงเข้ามาแล้วก็ว่าโรลสิ่จะยไปตีมือเซีนก็เป็นทางบกเริม บ, บันี้เห แค่สาไปต่อเรือรบมีอย่างนั้นหรอโจโง่กอบวัดสุ่จะไปตเมืองเสชวน e own, ครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นว่าเมืองการตังถึงเป็นมเกรสับเสชวนจะยกกองทัพมาช่วยเสชวนข้าพเจ้าจึงคิดอ่านต่อเรือรบหวังที่จะตีั่งเมือไปถึงเมืองกัรตังว่าเราจะยกไปรบกันตางชาเมืองการตั ง, ก, ตงก็จะต้องปราเรียนระวังตัว ก็หาอาที่จะยกไปช่วยเมืองเสรีฉวนไหมเราก็จะยกไปตีเสรีฉวนได้โดยง่ายไม่ต้องระวารังหลังครั้งไดเมืองเส่ีฉวนแล้วขบค้ยก็จะกลับมาเอาเรือรบที่ทําไว้นี่แหละยกไปตีเมืองกลางต่างอีกครั้หนึ่งการก็จะสมดุลเป็นสองประการฉัน สุมาติโอเยดยความความคิ่ใจโหดเช่นนี้มีใจทริงอยู่ถือว่ททาที่การตอนนี้เราโชคอยู่แล้วไม่ยอมรับเลยครันถึงวันกำนนนหนดฤกษดีใจโหดก็ขมาบลาสุมาติโอและยกกองถัพไป จงโวยวาแผนมิสมั่ทีเดียวสึกั่งสุกได้ด้วยถที่ไปต่อวินาทีวันเนี่ไม่เป็นงประโยชน์อุปยรายอีกด้วยที่นี้ทาฝ่ายเซียวเข้าซึ่งเป็นข้นมายูนี้เมืองยกกองทัพไปแล้วเสียวข้าเนี่ยก็เด็เข้ามหาสุมาเียววัดสุมาเกียวว่าซงหจงโวยเป็นแม่ทัพหลวงถออาญาสุ คุณตามยศไปฟนในเสศครังน well, ี้เขาอกใจว่าเจงโวยนี้ยังมีใจสำรู้มักคิดการใหญ่หลวงเกินตัวนะเขาบกใจนี้เินใจเลยมีเสียวเขาว่าอย่างนี้ซูมาเตียก็ว่าอันใจเงยนั้นแต่กนเราก็รู้อยู่แล้วเสียวเขาก็ถือว่าท่านีรู้น้ใจเจงโยอยู่แล้วเอ่ะ สุดที่นี้คุณนายที่สักซึ่งจำกับไปแล้วสมัยกี่เราตีว่าจงรวยนี้ประกอบขึ้นน้ำใจกล้าแข่งในการสงคร า, นนารม น, นะเห็นครมนี้จะไปตีจะตีเมือสาวนไน ม, นม่จนมั่นคงและถ้าเราให้คุณนายํากัดจงโวยไปนั้นก็เห็นว่าจงโวจะเสียน้ำใจจะทาการสงครามไม่เตและถ้าเป็นมีองสายฉวนแล้ว ขั้วาั้งดวงที่ไปด้วยนันเป็นชาวเมืองเราต่างคนต่างกดเจดคิดต่างกาเอ า, าความชอกที่จะกลัมาดุเพรีรยดเพื่อตงโยจะคิดการใหญ่ขบกเราแต่เกิดว่าฐานั้งวงเนี่ยอยากาเข้าดวงหม่นจะวิสเลยมาเชื่อกาดนนี้แล้วก็ําชาว่าสุขไทยทําราพูด น, นี้ ท่นเรืีความแพร่หลายคงไปถึงทู่ใดได้ทีเดียวเป็นเหมือนว่เาเกิดความคลางแคลงจนเหมือนกันล่ะทีนฝ่ายตรงหัวยกอองทัพไปพักกลางทางก็เรียกนายฐานทู้ใหญ่แปดสิบคนก็ามาพร้อมกันและก็ดีว่าแบบนี้เรายกองทัพมาทีมีเสส่วนครั้งนี้เราจะจับทารเป็นกองหน้ากองหนึ่งสําหรับที่จะทําทาน ถ้าพบภูเขาขวานหน้าก็ให้พาภกเขาไปถ้าพบในน้ําขวานหน้าก็อย้ําสะพานข้ามไปอย่าให้สามนักเรียนทไปทาการในโรงครั้งนี้มีความลาบากได้ผู้ใดจะอาสาเราทําบบนี้ไดยบ้างคือมีฐากองนี้ทำทางลุ่มหน้าไปเลยทีเดียวกันใครจะอาสาได้บ้างไปเข้าหนี้ เขาหนีเป็นบุตรของเข่าถูยอดขุนฐานเสือครั้งโจมิเตโซรุเข่าหนีที่นี้ก็ถิอว่าข้าพเจ้าจะอาสาท่านขุนฐานเป็นกองหน้าขุนฐานตั้ ง, งปวงจะยิงเข่าหนีอาสาเองก็ถือว่ากัจงโวยวักอันเข่าหนีคนนี้มีฝีมีกล้าแข็งนะสมควรเป็นกองหน้าอยู่แล้วโจงโวยก็ถือว่าแต่เข่าหนีว่ะ อันเขาถือจเป็นบิดาของท่านนั้นก็เป็นทหารที่มีเข้มแข็งของเจ้าแอ่องคือของจอ้าวครนี้ท่านจงคุ้ห่น า, น 5, านเป็นกองมากไปแถวฐา ป, าปราบทเพื่อทาหารในกองทัพของลอเดินทัพไปโดยสะดว ก, นนกเถิดท่านเาลูกสาทำรการได้เหมือนบิดาท่นานจกได้เดยถ้าทราชการลูเลยให้เสียทุ่งที เราจะโทษแต่ท่านตามอาญาสุดเขามนีก็รับตามคำแหละยังไงท่านจัดแจงเสร็จแล้ว mm hmm. ก็ถึงเสือฐานไปบอกแต่เป็นไงว่าเรายกกองทัพมาแล้วให้ท่านเร่งยกฐ า, ารนไปพร้อมกันนะเมืองห่นปุน๋งเถิดเราจะยกฐานมาตามทางเมือเสืส่วน เป็โอยมีหนยสไปั่งเป็นไงให้ยกไปกันโงส่วนเปอ้ยนันกดน้ำพับนู่เขาฟูเซสวนหลัทีนี้ฝายเป็นงอ่ะก็ยกออกแเขาทีสามาตั้งอยู่แดนเมืองหลวงเสดดูรูกเยือนมาตั้งอยู่ที่นี่เหมือนกันครั้งแรกรันสู้มาที่ให้แกมาดังนั้นเป็นไงก็จะให้สุมาปอง ยกานกองนึงไปตั้งสกกระมทางเมืองเซกเกียงวัดหวังจะให้ทัพเมืองเสกเกียงมาช่วยเสริมสนได้แล้วให้ถารไปหาจูกัะสูแ่จูตะแสดยกับขุมเบ็ดทหารจูกสูจะเมีองยจิ๋วองอิงจะมีองเตียนฟีข้งหงจะเมืองหลงเสเตียวหัวจะเมืองกินเสียทั้งสี่รุ่นนี้ใครจะยกฐามาพร้อมกันนักไทยเรา เราจะได้คิดราชการการเงินฝ่ายหุ้มยัตั้งสี่ควรู้ว่เป็นไงนให้หริหารดงนั้นก่อเรื่าเงนกองทัฝ่ายคนรีบมัดมันขำละเลาวเป็นไงนเป็นทัพใหา่การเงิบ า, าดก็กา ง, 4, ง, งนนั้นสีุ่นยัีมาะ่ะครั้งวันเวลาดึกเป็นไงนอนหลับดึกข่ายนะฝั น, นว่ไปยืนบนยอดเขาสูงให <c oughs> แลดูไปดูไปหันกลับแล้วก็เห็นน้ำพุไหลมาจากตีนเขาที่ตัวเหยียดอยู่นั่นน่ะก็ตกใจสะดุ้งเป็นขึ้นครั้งเวลาเชา้าก็ตีนเรียกหาเสี่ยวห้วนเข้ามาแล้วก็เราความฝันให้ฟังบอกความฝันก็าชนี้จะเป็นอย่างไรประการใดอะเชี่ยวล้วนก็ทำไมว่าฝันอันนี้นี่เป็นมงคล จะปีทาทับไปปีมีเฟฟส่สวมครั้งนี้เห็นจะได้อยู่แต่ว่าซึ่ง เ, ขข mm. เห็นน้ำพุออกมาจากภูเขานั้นเขาบอกเจเห็นหรือครั้งนี้ัวอ mm. ั้ mm. จะไม่ได้กลับคืนเมียนลบเียงมีเสียงล้นทามาอย่างนี้เป mm. ็นไงเดฟังเสียงือนทำมาฝันไปลุงก mm. ม่ควนโครตนม่จะ d ไม่จา e s t r u c t ไม่ม่หนนไม่มนุนอยู่ไม่ไดวัระดับได้ขอดีฐานตี่นขึ้มาบอกว่าจมโอยใหเร่งยกกองทัพไปพร้อมกันนักมีนฮันโปไปแย่รู้ด้นะก็จะใ้ีกัซูขม้นทหามีนฮยกไปตั้งศึกมุนฮันกินีไว้ก่อน มีให้สเข้าเสฉวนได้และให้ฮองจิ้งอุ้มนังีห้ันเร่งยกไปปีทับเพียที่ิศางขวาแล้วให้คันฮองอุ้มทหรมีห้าพันยกไปปีทับเพียงมีทิศางซ้ายแล้วจะให้เสียหัวอุ้มหนังมีห้าพันเป็นกองหนุนมีขนาดเพียงมี้ิศางหลังการจัดแตนงกองทัพัาตรวมเสร็จแล้วตัวเป็นไงมัน ก็คุณผู้ชมสาม n ือรุกไปควา t ท i ารกองเรือวีของเกียร์ว h เอาความเนี่ยไปบอกแต่เกียร์วีล่ะเบ็ดบักนี้กองทัพเรือวนี่ยเยอมาแล้วยงดูตายความันี้ ทหารยังมีกบยกกองัพมาเป็นทัพใหญ่ขอทานงเปียวเอคทารรกบานแวนให้เลียหัวเียอ็เล้ยวาเก่าคุาโสร้างอู่นสะพานนเอ่อเป็เียวย้ายข้าึงเข้ามาได้อำนงให้าีมือกรสั่นให้เร่งยกมาช่วย ดูมดยยังเฉยนให้าอยไปให้แตคุณนายเมืเฉีราเข้าไปดูภาเฉวนขวาพระเจ้าราศมีความระดัมัวมีโันทย่นะ พากันเสด็สุราทุกวันนี้เดยค่ะไม่นาพาที่จอกว่ารชการครังงนาผูใหญ่เอามีด e e อกี้ยนมีดหมอบกไปการาบอุลที่เจ้าเราเชียนก็เรียวีโฮมาปรึกษาว่าบัดนี้เกี e e บอกวาถาติดดมี e e ก๊กยกกองทัพมาเียนอจะให้เราจับแจงทหารไปรักษาด่านผานอย่างนี้ท่านเห็นโดยการใบ วีโฮ่ยกขันทีก็จิว่าซุกเกียงอีบอกขากจะการมาท้งนี้นะอเดอคิดจะเอาความชอบใส่ตัวาหาเป็นความจริงจะประการไดไมขอร้องจะสรงระวีตกเลยราบเเ้ า, เเารู้จักใหญเท้าคนนี้ดีให่เท้าทำมาใ่เท้ า, อ, ย า, ยาออกเท้านี่เออเร า, านี่คือ ทเจ้าขาเสีข้าพเจ้ารู comeback, ้จักยายพาคนหนึ่ช yes. ื่อสูโปทเจ้าขาีแล้วรู้แม่นะข้าพเจ้าจะไปหามาลงดุแต่เทพีประทานบ่ายก็จะได้รู้แม่นีที่ต้องการรู้ข่าวสืบข่าวพับว่าเทไม่กินประทานบ่นีเขาใช้วิธีนคืออาคนมา เขาฟงดูว่านั่นเขาเงจะหลอกเสี่ยงเดฟังวีโว่บุกไกลทกลางคืนบอกอย่างออานีง้ก็กกกดีใจไอวีโวไปรับอ า, ยายท้าายเท้าเนี่เขามาในวันทีเดียวถ่ะเพิ่จะหลอกเสี่ยนเห็นใหญ่เท้าเขามาถึงก็กะเด้ออกมาจุดถูกเดียนํานะกใหญ่เท้าก็รับทุ่มสงเวยแล้วก็ขยายผล รำเพลงกระดีต่างๆต า, ต า, ตามนิสัยที่เคยทํามาแต่ก่อนละที่เคยทำประการใดอะไรก็ทำสแสดงให้ดูละครั้นอารักษ์เล่งแล้วก็บอกแต่เพิ่งเราเขียนวิดีโอคืออารักคีคือเปรวัดเทิเพญด า, ารักษ์ประทับชงฆ์เาแล้วละเขาก็าจึงบอกตีว่าเราเป็นพเพือเสื้อเมืองท่านท่านไปเชิญเรามานี่มีสุระประการใด ก็เราเที่หบัตรนี้มีหนัสือบอกมาว่า50ยกมาจะตีเมืองเรานั้น จ, จ, นจกิหจหนหร่ินการใดเป็นใญ่ท้ามันก็จึงบอกว่าถึงการ5ยกมานี่หากินไมันจะคิ้ตกเลยอมากเมืองเรา